วิญญาณธาตุที่หลวงตาบอกว่ามันมารู้ขันห้าหรือมารู้อ่าวิญญาณขันอย่างไงี้ยครับที่ได้แต่รู้ซื่อๆไม่มีกิริยาการมันต่างจากวิญญาณขันตรงที่มันสามารถมารู้วิญญาณขันได้อีกทีหนึ่งจู่ไหมครับวิญญาณธาตุตัวเนี้ยครับโดยที่รู้รู้มันว่ามันอ่ะมันมันไม่ใช่เราจะพบวิญญาณธาตุได้คือเราแท้ที่มาเกิดเนี่ยคือวิญญาณ วิญญาณละท่าแท้ๆ ท, ที่สิ้นวิชาที่ความหลงที่ความโม่แล้วเนี่ยเราจะพบตัวเราที่แท้จริงได้ที่เป็นวิญญาณละท่าได้หรือเขาเรียกว่าจิตแท้หรือว่าใจาแท้เ น, นี่ะอันเดียวกันเราจะพบได้ก็คือว่าเราต้องมายึดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเราผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นตัวเราคือจะต้องไม่มายึดขันห้าจนถึงในตัววิญญาณขันซะก่อนจนทั้งหมดห้าขันเลยแล้วก็เมื่อจะพบ ว่าตัวเราแต่ๆจริงไม่ใช่ขันหน้าจึงเป็นจริงพบวิญญาณธะทานคือเป็นจิตเดิมๆไม่แท้หรือวิญญาณแตท้ที่มาเกิดที่ก่อนมาเกิดคือก่อนมาเป็นขันหน้าต้องปวางขันหน้าหมดก่อนแั้นไอ้สิ่งที่ขันหน้าจะปล่อยวางได้ไงโอ้ไอ้รูปนี่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นเวทนาสัญญาทั้งขันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นหรืออันเดียวอ่ะวิญญาณขันทำหน้าที่รู้อย่างเดียวที่ทำหน้าที่รู้อย่างเดียวก็คือเราจะปล่อยวางได้ไงไอ้ที่ทำหน้าที่รู้เนี่ย ก็คือมันไปยึดขันห้าว่าเป็นเป็นเราเป็นผู้รู้มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนรู้แค่จริงอะวิญญาณขันนั้นเป็นคนรู้แต่เราไปยึดเอาขันห้าเป็นตัวเราซะเราเลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนรู้ถ้าเราเนี่ยปล่อยวางไอ้ตัวรู้สึกความรู้สึกว่าเราเป็นคนรู้เราเป็นคนเห็นเราเป็นคนรู้เราเป็นคนเห็นลูกขณะปัจจุบัน่ะได้เมื่าหลายปุ๊บเราก็ปล่อยวางถึงขันห้าเลยเพราะว่าตัวนี้ละเอียดสุดแล้วในขันห้าวิญญาณวิญญาณศาสนาทาไมเขาจะมาไว้สุดท้ายแล้ว แทนที่มันจะต้องไว้ตัวแรกเพราะว่าอะไรมันทํางานก่อนเข้าเลยไปรู้อะไรพุ๊วิญญาณขันน่ะทำงานอื่นก่อนทํางานอย่างอื่นก่อนเลยก่อนเข้าเลยวิญญาณขันเนี้ยมันทำงานเร็วมากแต่มันเห็นยากที่สุดและเร็วที่สุดละเอียดที่สุดมันจึงมาไว้ตัวขัดที่ห้าเลยรูปหยาบที่สุดคุณดูสังเกตไหมเรี้ยงมาจากหยาบที่สุดเลยรูปหยาบที่สุดต่อมาหยาบระดับรองมาคือเทวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ อันนียากที่สุดและใครก็รู้ว่าสุขทุกเว้ยสุขเยไม่สุขสุขทุกไว้เนี่ยแต่สิ่งที่เอเข้ามาคือสัญญาสังขารคือความจําความคิดอันนี้เ ร, ร็วมากเลยยากทำมาอีกแต่คุณปล่อยวางมาได้ถึงความคิดหมดแล้วตัวความคิดปรุงแต่งได้ปล่อยมาถึงความคิดแล้วว่าเร็วที่สุดคุณยังปล่อยวางได้เลยที่สุดอะปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้อย่างเดียวไม่พลุกพลุกเพราะอะไรร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้เวทนาเป็นสิ่งที่ถูกรู้สัญญาเป็นสิ่งที่ถูกรู้สังขาร สิ่งที่ถูกรู้ถ้าคุณปล่อยวางแต่สิ่งที่ถูกรู้จะถูกรู้ที่คุณบอกว่าคุณเอาตัวคุณไปปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้ปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้คุณปล่อยวางแต่สิ่งที่ถูกรู้อย่างเดียวคุณพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ปล่อยวางขันห้าคือทั้งห้าขันวิญญาณขันอีกขันคุณยังไม่ได้ปล่อยวางคุณต้องปล่อยวางผู้รู้ด้วยบันจึงดินที่มาของคําว่าพบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้หรือพบผู้รู้ให้ปล่อยวางผู้รู้ของพระอริยเจ้าทั้งหลายคุณจะพ้นทุกข์ สุดท้ายบางนทุกตรงพบผู้รู้ค่าผู้รู้พบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ก็คือนี่เนี่ยไอ้วิญญาณอคตินี่เนี่ยโอแล้ววิญญาณอคติสามารถรู้ตัวมันเองได้ไหมครับอือวิญญาณอคติรู้ตัวมันเองได้ไหมธรรมชาติมันสร้างมาให้เป็นนาที่รู้ไม่ใช่เป็นสามสิเป็นถูกรู้โอ้อ๋อทะนั้นไอ้ที่เราบอกว่าเรารู้เนี่ยรู้โกรธ รู้โกรธรู้โลภรู้อะไรพวกนี้อันนี้คือเวียนกระขันทาหน้าที่รู้<ช>หรือแม้กระทั่งรู้ลูก ร, รู้ข้างนอกเลยก็คือเวียนกระขันทําหน้าที่รู้มี<ด>ลูกทางตาอะไรขึ้นมาอ๋อแต่ว่าเรายังหลงว่าเออตัวเนี้ยังเป็นเราแล้วเราก็ไปไปอยู่กับธรรมอารมณ์ก็คือรูปเป็นอาสัญญาสังขารใช่ไหมครับอื๋อต้องต้องมาปล่อยวางไอตัวผู้รู้ ไอ้ตัวนี้ถึงจะเป็นปล่อยวางวิญญาณขันถึงจะครบเลยครบห้าขันถึงจะปล่อยวางห้าขันครบอันนี้เกิดมาเปลี่ยนธาตุรู้ที่พ้นจากขันห้าแล้เราก็ไม่ต้องสนใจว่ามันจะมันโกรธขึ้นมาเราก็เราก็แค่ก็แค่รู้ว่ามันโกรธใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ไม่ไปอยู่กับมันก็คือให้มันให้มันรู้ตรงตรงคู่ที่ไปรู้ความโกรธเออเเพราะเราต้องการจะปล่อยให้ถึงวิญญาณขันนะไอ้ถ้าเราโมแต่เอาตัวเราไปปล่อยวางไอ้สิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้มันได้พ้นทุกข์หรอก อ๋ออันนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามันโกรธมันไม่ใช่เราอยู่แล้วเอออ่าแต่เรายังลืมไปว่าไอ้ผู้รู้ความโกรธก็ไม่ใช่เราด้วยใช่ใช่ใชอ๋อเพิ่งจะเข้าใจวันนี้ครับขอบพระคุณมากที่พระราหานักหลายพระริจเจ้าท่านนับสิน้นคนทุกข์ก็พบว่าละอุปทานขันธ์หน้าปล่อยวางขันธ์หน้านี่แน่ก็ปล่อยวางก็ห้าขันนี่แน่ละอุปทานขันธ์หน้าปล่อยวางขันธ์หน้านี่แน่อธิษสานตั้งนานพูดพูดกันนี่คือเพื่อไอ้ปล่อยวางขันธ์หน้านี่เนี่เพราะพระราหานักหลายอ่ะก็ปล่อยวางขันธ ตอนแรกสอนธรรมะจักรกับพัฒน า, นานสูตรเนี่ยปล่อยวางได้แต่สิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้แต่ยังไม่ปล่อยวางเข้ามาถึงให้ตัวผู้รู้พระเจ้าก็เลยมาสอนต่อเรื่องอนัตตลักษณสูตรอีกทีหนึ่งตอนสอนเรื่องธรรมะจักรกับพัฒนาสูตรกับปัญจวัคคีตังห้าที่ว่าพระเจ้าตรัสรู้แล้วมาสอนครั้งแรกคือสอนกับปัญจวัคคีตังห้าแล้วก็ปัญจวัคคีตังห้าพอฟังธรรมะจักรกับพัฒนาสูตรจบก็ปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมด อ, รมรมดอารมณ์ที่ถูกรู้ทั้งหมดคือเป็นกับใจเป็นกลางกับสิ่งททีู่้ังหมด เออคือไม่เข้าไปติดรักติดชังให้เป็นมัชชิมาปฏิปทาทั้งสองฝั่งคืออารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีไม่เข้าไปติดทั้งฝ่ายที่ดีและฝ่ายไม่ดีเออเรียกว่าใจเป็นกลางมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยธรรมจกกักรวันวันาสูตรนี้เธ อ, อ่าติดเข้าไปในสองฝั่งนี้ฝั่งที่ถูกใจและฝั่งที่ไม่ถูกใจเออให้รับรู้เหมือนเป็นมัชชิมาปฏิปทาด้วยอริยามรรคในองแฝดเนี่ย แต่ยังไม่พ้นทุกนะเอป่อยวางสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดได้แล้วยังไม่พ้นทุกพระพุทธเจ้าได้อสอนอนัตตลักษณะสูตรว่าอีกอันหนึ่งคือสิ่งที่ยึดไม่ได้ทั้งหมดนะสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเนี่ยเป็นขันธ์หาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารแต่อีกการหนึ่งคือวิญญาณขันธ์ที่ไปรู้มันก็เป็นของไปเที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา รู้ฟังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรู้ฟังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาทั้งหมดเป็นอนัตตาหมดเลยเข้ามาถึงผู้รู้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราปล่อยวางหมดเลยพออนัตตลานสูตรฟังจบบรรลุอาลานตหมดเลยหารูปล่อยวางห้าขัน เรียกว่าละกุปปาทานกันอ่ะก็คือเบื้องต้นเราปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้ออืแล้วพอมันมันฝึกทํานานเข้าเรามาปล่อยวางไอ้ผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้อีกทีหนึ่งือ้แล้วอย่างของผมยังต้องไปไปไปนั่งปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้อยู่มไหมหรือว่าเอา้ามันก็ต้องปล่อยวางมันก็มันก็นกปล่อยพอคุณปล่อยวางผู้รู้มันก็เท่ากับปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้ไปพร้อมกันอ่ะแหละ มันละเอียดที่สุดลึกที่สุดก็ไม่ใช่เพราะว่าคุณคุ ณ, คณเนี่ยมุ่งปล่อยวางตัวไอ้ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้คุณเลยไม่ไปสนใจสนใจที่จะไปุ่วุ่นวายกับไอ้สิ่งที่ถูกรู้แล้วมันเท่ากับถูกไอ้สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดถูกปล่อยวางไปโดยวิญญาณทุกขณะปัจจุบันเพราะมันวุ่งปล่อยวางที่ผู้รู้อยู่แล้วมันเลยไม่ไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้เลยสักอย่างเดียวมันเท่ากับไอ้สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดทุกขณะปัจจุบันถูกปล่อยวางไปแล้วส่วนวิญญาณธาตุเนี่ยมันไม่มันไม่สามารถรู้รู้สิ่่่่งทีถููกรรร้้ไดหหืือาอาาบว หรือว่านั้นมันเอวิญญาณธาตุเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ว่าสร้างมาเพื่อธรรมชาตินี่ยมันสร้างมาไม่ใช่ว่าให้มันไปรู้ตามทวานเพอาะต้องไปรู้ตามทวานต่งางๆ า, ห, ง า, าหูจมุกลิกายใจมันเป็นหน้าที่ของขันหออ ม, มันเป็นหน้าที่ของขันหน้าขันหน้าเ น, นี่มันเกิดที่หลังจากวิญญาณมาเข้าผสมขันห้านี่มันเกิดที่หลังนะเอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเข้ามาผสมแล้วเนี่ยจึงเกิด นามรูปคือขันห้าขันห้าพวกจะมีที่หลังวิญญาณมาก่อนอาวิชาเป็นปใจใัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปใจใัจจัยเกิดวิญญาณเนี่ยปฏิสตนที่วิญญาณมาแล้วพอเข้าผสมกับไปสเปิร์มของพ่อไข่ของแม่เสร็จ แ, แล้วเนี่ยมันถึงนี่เนี่ยถึงจะมามีขันห้าคือมาที่หลังเนี่ยพอมีขันห้าแล้วจึงเริ่มมีมีตาหูจมูกนิ้นกายใจก็เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดสลายญาตนะตาหูจมูกนิ้นกายใจมันมาเกิดที่หลัง แล้วเมื่อเกิดตาหูจหมูกลิ้นกายใจแล้ววิญญาณมันก็เลยเกิดขึ้นมาไปรับรู้อันเนี่ยทางประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเออไอ uncommon, ้นั้นไอการไปรู้อะไรเนี่ยสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของวิญญาณขลักฐาแต่ครูอคุณปล่อยวางวิญญาณขลักฐาได้หมดแล้วเนี่ยไอมันก็เกิดไปเป็นวิญญาณนาตัคือไอเนี่ยไอวิญญาณที่ลอยมาปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเนี่ยเป็นวิญญาณนาตัมันเป็นวิญญาณนาทัไอตัวเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่ไปรู้ทางตาจหูกินใจมันรู้่วา แบบนี้ยมันสิ้นยึดถือขันห้าแล้วเขาเรียกว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยมันมีนัดมันรู้อย่างเดียวว่ามันรู้ผลรู้ผลคือมันน่ะมันไม่เป็นยึดถืออะไรแล้วมันสิ้นการยึดถือแล้วตัวมันน่ะบริสุทธิ์ปุดฟองแค่นั้นแหละมันรู้ได้แค่นี้เองเออมันรู้ได้แค่นี้ว่าตัวมันน่ะบริสุทธิ์ปุดฟองตัวมันตัวมันเป็นตัวไม่ปรุงแต่งสิ่งใดที่ปรุงแต่งไม่ใช่ตัวมันทั้งหมดเพราะสิ่งใดปรุงแต่งได้เป็นขันห้าหมดตัวมันเนี่ยไม่ใช่ไม่อาจปรุงแต่งได้ แต่ความว่างเปล่าอ๋อตอนแรกผมก็นึกว่าวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้นี่ไปรู้สิ่งที่ถูกรู้ขันรู้ขันห้าแถ้าอย่างนี้อันนั้นวิญญาณขันเลยกูก็เอาวิญาณธาตุไปรู้แล้วท่นเนี้ยไม่ใช่มันเป็นวิญญาณขันทำหน้าที่รู้ตามถาวรวิญญาณธาตุแต่คุณยังไม่เจอมื่หลักจักคุณจะปล่อยวางขันหน้าหมดคุณจะเจอวิญญาณแท้จิตแท้ดั้งเดิมแท้อืมตอนที่คุณยังปล่อยวางขันหน้าไม่หมดเนี่ยกูก็ยังเอาไอ้ตัวขันหน้าไอ้ตัวปรุงแต่งเป็นตัวเราคุณยังไม่เจอมันหรอก องคุณยัเอาตัวปุงแต่งเป็นตัวเราอยู่คูจะไม่ได้ปล่อยวางตัวปุงแต่งไม่ได้ปล่อยวางขัน <Hungary> หน้าคุจะไม่เจอไอ้ตัวไม่ปรุงแต่งคุณจะเจอไอ้ตัวไม่ปุงแต่งได้ต่อเมื่อคุณปล่อยวางขันหน้าหมดแต่มันมีอยู่แล้วเราแต่เราไม่เจอมันเพราะเรายังเป็นตัวปรุงแต่งอยู่แต่ไม่ใช่ว่ามันไม่หนีนะมันมีมาตั้งแต่เกิดนู่นเนี่ยวิญญาณเน่ะแต่เรายังไม่เจอมันเนี่ยเพราเรามัวแต่ปุงแต่งปุงแต่งปุงแต่งเรายังไม่สิ้นเอาไอ้ตัวปุงแตงเป็นตัวเราสัที โอวิญญาณธาตุรู้รู้แค่ว่าตอนเนี้ยพ้นแล้วอืตอนนี้ไม่ได้ยึดอะไรแล้วรู้ตัววันเองว่ามันไม่ได้ยึดอะไรแล้วใช่แค่นั้นแหละเขาจี่าไอ้ที่คือที่เราเกิดมาไอ้ตัวดั้งเดิมเลยเออนั่นแหละเขาจะเรียกว่าพุทธะนะภาษาตัววิญ ญ, ญาณธาตุคำเขาเรียกว่าพุทธะพุทธะเนี่ยรู้แบบพุทธะไม่ใช่รู้รู้แบบวิ ญ, ญญาณรู้แบบวิญญาณขันเพราะวิญ ญ, ญาณขันเนี่ยไปรู้รูปลูดเสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสแล้วก็รู้รู้เวทนาสัญญาตั้งขานคือรู้ธรรมอาร ส่วนในวิญญาณธาตุเขาเรียกอย่างหนึ่งคือพุทธะรู้แบบพุทธะรู้แบบพุทธะคืออะไรเป็นผู้รู้แจ้งรู้จริงรู้พ้นรู้ความจริงแล้วรู้ความจริงจนรู้แจ้งถึงใจแล้วรู้พ้นคือรู้สิ้นยึดแล้วก็รู้ตื่นรู้ตื่นก็คือว่าตื่นจากหลับตื่นจากคนเป็นคนหลงแล้วตื่นจากอวิชชาเนี่ยในหนังพระเจ้าหมาสัตว์ดาราโลกพอตัสรูปุ๊บตอนเช้าลุกขึ้นลำพึงกึนเลยว่าเราหลับมานานมากเลย แต่ตอนตอนนี้เราว่าน่าจะแปรคัดเคลื่อนทั่วเราหลับเร็วมากเลยแต่เราไปดูตอนอื่นได้คําว่าเราหลับมานานมากเลยน่าจะหลับมานานมากเราหลับมานานมากเลยคือเป็นอาวิชามาเป็นสี่อสงไขยแสนมหากรัปผู้เจ้าปฏิบัติมาสี่อสงไขยแสนมหากรัปจึงจะบรรลุเป็นพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นอาวิชามาถึงสี่อสงไข่แสนมหากรัปจึงหลับมานานมากเลยบัดนี้เราตื่นแล้วนี่คําพูดเลยบัดนี้ตื่นแล้วจึงเป็นพุทธะเป็นผู้ตื่นนะเนี่ย เป็นผู้ตื่นรู้แบบเป็นพุทธะคือเป็นผู้ตื่นจากความหลงเป็นผู้รู้คืออะไรรู้ความจริงว่าสังขารทั้งหมดไม่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่อาจยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นก็คือตื่นจากวิจชาตื่นจากความหลงมานานถึงสี่อสงไขยแสนมากับเป็นผู้เบิกบานคือไม่ไปยึดสิ่งใดมาให้ใจเศร้าหมองได้ต่อไปแล้วเป็นผู้รู้ค วิญญาณธาตุหรือพุทธะทำหน้ที่รู้นี้ได้แค่นั้นเองไม่ใิ่ไปรู้สิ่งที่ถูกรู้อคือพระราหัน์ที่ท่านเข้าถึงตัวท่านรู้หรือวิญาณธาตุแล้วท่านก็ได้แค่รู้ว่าตอนนี้เราไม่ได้คือไม่มีอะไรให้ยึดได้ไม่ได้ยึดอะไรอยู่ท่านจะท่านก็รู้ตามปกติวิญญาณขันท์ท่านก็ทํางานตามปกติรู้ลูกรู้เสียงรูกเวลาสัญญาสังขารมีปกติหมดเพียงแต่ว่าท่านรู้ว่าทั้งหมดเนี้ไม่ควรยึดมั่นถี่มั่น อันนี้คือความรู้ของบารหันที่เท่าถึงวิญญาณธาตุใช่ไหมครับถูกต้องครับที่พระหลานแต่ละท่านเราไปถามท่านตึงบอกว่าอยู่กับผู้รู้อยู่กับรู้อยู่กับพุทธะเนี่ยเนี่ยอยู่กับรู้นี่ไงไม่ใช่รู้คืออยู่กับวิญญาณขะคัดอยู่กับรู้เนี่ยรู้พลเข้าใจผิดมาตลอดนรืว่าไอ้ที่รู้นี่คือวิญญาธาตุแล้วอยู่กับผู้รู้นี่คืออยู่กับรู้คือรู้พลรู้พลรู้แบบพุทธะรู้แบบพุทธะรู้ว่า กิจที่ต้องทำความเพียรเพื่อความปล่อยวางจบหมดแล้วกิจที่จะต้องทำอีกไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพราะผลจัดสังขารแล้วจึงสิ้นการเว้นว่ายตายเกิด